เพราะนั้นเราต้องเราเป็นเจ้าของรถเราต้องสุขภาพร่างกายเราก็ต้องตรวจตรา ด, ด้วยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแต่พร้อมการก่อใจของเราเนะีอมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาให้จริงจังในขณะที่เรามาบำเพ็ญภาวนาเรามีโอกาสอย่างมี้หาดยายากเพราะนั้นขอให้ปกคงพลูกพ้าหลานทุกองคนะ์เนื่องการภาวนาเนี่ย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 จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้ว่นี่มันเห็นผลแล้วแต่นี่นะพอเห็นผลไม่ต้องบังคับแหะมันไปเองแต่หมุนเองก้าวกระโดดไปเองแต่ลังไม่อยู่นี่แหละใหม่ๆนี่ก็ต้องเขี่ยวเข็นอย่างที่เด็กไปเรียนหนังสือนะใจของเราเหมือนกันใจของเรายังไม่เห็นคุณค่าในเรื่องจิตใจสงบความสงบเราก็ต้องบังคับตัวเองก่อน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 มาทั้งทีชีวิตเราก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติอย่างนี้โอกาสเวลาอย่างไงเราก็รู้แก่ใจว่าเราจะอยู่อย่างไงปฏิบัติอย่างไรอดอาหารอย่างไรบําเพ็ญอย่างไรเราก็รู้แก่ใจขอให้จริงจังแต่จริงใจมักผลนิพพานกล่อคอยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติจริงปฏิบัติจังนะ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 แก่เท่าเต็มทนแล้วเผือเอก็ตายไปแล้วหมาตัวไหนถึงสิบหปีก็ทั้งยากแหละวัวควายเท่าไหร่ยี่สิบปีช้างเท่าไหร่หกสิบ็สิบปีห้าหกสิบปีเกือบเกือบเท่าๆท่าคนช้างนะอายุของสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะอย่างนั้นอายุเทวดาเนยะเทวดาชั้นต่ำเท่าไหร่ชั้นกลางเท่าไหร่ชั้นสูงเท่าไหร่ผมโลกเท่าไหร่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 อันนั่นดีที่สุดนะบังคับใช้บังคับถ้าจะเป็นปล่อยธรรมดาเนะมันคงมันจะไม่ไม่ได้เหมือนกเด็กนักเรียนลูกของเราที่จะไปเรียนหนังสือใหม่เอก็ว่าทานบังคับนี้ก็เหมือนกันใจของเราตร้องต้องบังคับทนะําบังคับแล้วมันเห็นผลแล้วมันมันก้าวไปเองถึงกระโดดไปเองหมุนไปเองเผันตัวให้สูงขึ้นไปเองนะ รับพรอนุโมทนาให้พร